ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมองโลกพุทธกศกาช 2,547 โดยพระตรงมกุณาพรปออประยุโตวัดยาณเวศกวันอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องสิทธิสตรีนิกสังคายาหน่อยบรรยายนว่นที่ ก, กรกฎาคมพุทธศักราช5 4 7หารอยิเ น, นี่คุยเรื่องอะไรกันดีล่ะถ้าไม่มีอะไรก็มานึกถึงอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องาศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องที่ พูดจาหรือว่าโจดจันกันไปเนีเป็นเรื่องที่เกิดปัญหาพอสมควรก็เลยมาคุยกันสับ้างาจะได้รู้ข่าวคราวไปด้วยแล้วก็ได้พิจารณาเรื่องด้วยมีความคิดความเห็นกันก็คือเรื่องที่มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ไปแสดงความเห็นเรื่องไปน้มรดการพระธาตุที่เชียงใหม่ ในนักสืบพิมพ์ก็พูดถึงพระธาตุโดยสุดเทพพระธาตุโดยตุงพระธาตุริคุณชัยใช่ไหมว่าไม่ให้ผู้หญิงเข้าข้างในท่านก็เลยแสดงความขลองใจให้ทางสำนัก ง, งานพุทธศรนั์ให้ชาติถแถลงชี้แจงอะไรนะีก็เลยทางญาติโยมประชาชนเมืองเหนือก็เลยเกิดความไม่พอใจก็เป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็ ท่าที่ทราบก็ยังไม่ยุติง่ายๆและท่านมีความเห็นยังไงบ้างว่าไงตัวประเด็นก็คือว่าท่านผู้ยกเรื่องขึ้นมาเนี่ยอ้างเรื่องสิทธิสตรีความเสมอภาคอ้าวทั้งเราเห็นกันยังไงอ้าวใครคิดจะพูดยังไงก็โดยส่วนตัวผมก็เห็นว่ า, าเรื่องนี้มันไม่ควรมาเกี่ยวกับสิทธิสตรีครับ เพราะมันเป็นประเพณี<ม>ที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานแล้วครับ<ม>ก็คิดว่าเอามาอ้างกันซึ่งมันคงจะไม่เหมาะสมเกินเลยขอบเขตเกินไปครับก็เอาละเป็นเรื่องของประเพณีที่เมื่อควรอย่ามายุ่งกับเรื่องสิทธิสตรีอะท่านมีความเห็นอะไรไหมครัก็ตัวโดยส่วนตัวของเอง๋ผมเห็นว่าสมัยนี้เราเรียกร้องสิทธิ์กันมากเกินไปครับท่ า, า, านอาจารย์โดยทยี่เราไม่ได้คำนึงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในท้องถิ่น เขาเป็นเจ้าของที่จริงๆเนี่ยเขาได้เรียกร้องหรือไม่เท mm hmm. ่าที่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยทางชาวบ้านเองที่เป็นอาอยู่ใน ท, ท้องท้องที่เองเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องอะไร mm hmm. เขาก็ยังมีความพอใจในประเพณี mm hmm. ดีงามของเขาแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าเขายังไม่เข้าใจว่าท่านท่านผู้หญิงท่านนี้ท่านท่านเรียกร้องเนี่ยเพื่อเพื่ออะไร mm hmm. ก็เลย ย, ยังเป็นคําถามที่ยังติดอยู่แล้วตอนหลังก็ได้ทราบว่ามีการมามาขอโทษกันแล้ว แต่ทางชางทางชาวบ้านเองเขาก็ยังติดใจยอยู่ครับชาวบ้านยังติดใจ่วายังจะให้ทําพิธีจะแช่งจะด่ามีความรู้สึกในส่วนตัวว่าเดี๋ยวนี้เรามักจะคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนหรือว่าสิทธิมากเกินไปแต่ว่าลืมดูไปว่าตัวเรามีหน้าที่อะไร<อ>และในขณะเดียวกันเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาพอใจไหมหรือเราไปเรียกร้องแทนเขามากเกินไปหรือเปล่าครับอ่าใครจะเห็นยังไงอแม่ ท่านอริยาญาณโนเรื่องไปกราบไหว้พระาธาตุนะครับสระสาคัญก็ควรจะเป็นการกราบไหว้นะครับคราวนี้คนที่ขึ้นไปกราบไหว้เนี่ยก็ควรจะอยู่ในที่ที่เหมาะเพราะฉะนั้นคนที่ไปก็ได้กราบได้ไหว้ก็พอใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องมาทําอะไรให้มันหนักหนาลงไปกว่านั้น รวมความก็คือไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มายุ่งกับเรื่องสิทธิสตรีเรื่องความเสมอภาคอะไรแล้วก็อาจจะโยงไปหาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีนี่นอกจากวัฒนธรรมประเพณีท่านสิทธิสกโกว็อยากจะรู้เรื่องธรรมวินัยด้วยว่าถึงหลักการทำวินัยเด็กก็ไม่มีโดยตรงกับเรื่องนี้ไม่มีข้อมัญญัติเพราะสมัยนั้นก็จะไม่ค่อยมีพูดเรื่อง สานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ว่ามีเรื่องให้เคารพอย่างอปริหานิยธรรมนะฮะจะน่าจะพูดถึงเรื่องเจดีอนุสาวรีย์เก่าๆที่เป็นเครื่องลําลึกถึงตั้งแต่อดีตมาใช่ไหมก็เป็นเครื่องรวมใจคนก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่านั้นพระพเจ้าไม่ได้จําเฉพาะว่าหมายถึงต่างพระศาสนาเช่นอย่างชาววัดฉีเนี้ยก็เป็นจีดีสถานสิ่งที่ พูดง่ายๆภาษาปัจจุบันก็คืออนุสาวรีย์นี่สำหรับทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จัดถึงพัสสถุก็วไว้วันจุอัติของพระพุทธเจ้าพระจักกะพัดพระอรันตส า, าวกอะไรเนเี่ยพระปฏจกพระพุทธเจ้าเรียกว่าถุปาระหุโคลสี่ผู้โคลกับสัุจะได้คารบบูชาเป็นเครื่องเตือนใจให้ล้ลึกถึงคุณธรรมความดี ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องรายละเอียดเหล่าเนี้ยโอก็ให้เป็นที่เคารพแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเข้าได้ไม่ได้อะไรก็แนะแค่ไหนไ ม, ไม่ไม่พูดถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคลี่คลายของวัฒนธ ร, ธรรมประเพณีจึงได้เป็นเรื่องของถิ่นไงใช่ไหมเพราะถิ่นอื่นเขาอาจจะไม่ปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เมื่อมีการข้องใจโยงมหาเรื่องสิทธิแล้วก็ความเสมอภาคของสตรีเนี่ย คือในแง่หนึ่งในใจของบุคคลเนี่ยเราก็คงต้องยอมอนุญาตก็จะใช้คาว่าสิทธิก็ได้ที่จริงมันก็ไม่เฉลิองสิทธิอะไรละมันเป็นเรื่องของความายรู้ในแง่นี้ก็ดีคือหมายความว่าเราอยากอยากรู้มันยังไงกันนะเนี่ยในนี้ถ้าเป็นแบบายรู้เนี่ยก็หาความรู้หรือแม้แต่ว่า ตัวเองว่าเอ๊ะทําไมไม่เสมอภาคน่าจะยเมือ่อว่าก็ต้องหาความรู้เพื่อว่าจะได้รู้ว่าเขามีเหตุผลยังไงซะ ก, ก่อนวิธีปฏิบัติก็คือต้องสแสวงหาความรู้แต่ว่าการสแสวงความรู้นี่ก็ต้องให้เห็นว่าตัวเองต้องการความรู้เท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นพียงไปแสดงอาการหรืออะไรหรือว่าไปทําให้เขาว่า แกเป็นเจ้าหน้าที่ต่างถแหลกับฟังด้อะไรอย่างนี้นะมันเขามันจะรู้สึกไม่ดีกันเน่ยหรือเธออย่างนี้ใครๆว่าอย่างนั้นเธอต้องอธิบายฉันฟังอะไรก็หาความรู้ก็ก็เป็นประโยชน์อในแง่นี้เราก็ต้องเผื่ใจให้แก่ท่านที่อาจจะมีความอยากรู้แล้วก็แม้จะพิจารณาในแง่สิทธิสติความเสมอภาคอะไรเงี้ย ซึ่งเราก็เห็นอย่างที่ท่านว่าว่าก้อหาเหล่านี้บางทีคนก็สับสนเอามาพูดกันจนกระทั่งไม่มีขอบเขตนียอันนี้ในแง่ความรู้ก่อนในแง่าการหาความรู้เออเราก็า จ, จะต้องไปรู้ว่าอะไรทางเมืองเหนือเนี่ยมีข้อมูลหลักฐานในอดีตบอกไว้บ้างไหมว่าทําไมจึงไม่ให้สตรีเข้าไปใน เขตภายในของปูชนียสถานสำคัญอย่างนี้นะก็อาจจะมีปราดบางท่านได้ข้อมูลที่ก็ยังไม่ชัดท่าที่ฟังนะก็เอาละก็ฝากให้เป็นเรื่องของท่านที่เป็นนักหาความรู้ซึ่งเราต้องยอมถ่อมตนว่า เราเป็นคนที่อยู่ห่างไกลท่านที่อยู่มุงเหนือเองอาจจะมีโอกาสได้หากว่าแล้วเราเองเราก็คงไม่เพียนพยายามถึงขนาดที่จะไปเจาะจงหาความรู้เรื่องนี้มากนักถ้ามันไม่มีอยู่ปรากฏจงแจง้งอันนี้ว่าเอาขั้นที่หนึ่งหาความรู้ความรู้ที่จะปรากฏหาง่ายปรากฏว่าไม่มีก็ฝากไว้ให้ท่านที่จะลงลึกแต่ว่าอาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้ ทีนี้มันก็มาในรูปของความเชื่อของชาวบ้านที่ซื้อต่อกันมาเช่นมีบางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมชาวบ้านเขาจะมากจะพูดในแง่นี้บางท่านก็พูดไปถึงว่าผู้หญิงมีระดูมีประจำเดือนอะไรต่างๆจะไปทาลายพวกความขลังนี่ก็ว่ากันมานี่ก็เป็นความเชื่อทางเกี่ยวกับโยงยศาสตร์ด้วยนะ แล้วก็พูดไปถึงแม้แต่ว่าแม้แต่ผู้ชายนยคือที่วัดพระาธาตุีริูุชายมีข่าวอนหนึ่งใช่ไหมบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีหรือใครจะไปประชุมที่พระาธาตในบริเวณนัหลวงพ่อจเจ้าวาดท่านไม่ให้ประชุมเพราะว่าจะต้องไปสร้างห้องน้ำอะไรต่อเลยบอกท่านบอกไม่ได้ถ้าจะถ่าย อะไรปัสสวาวะอุจาระต้องไปออกนอกเขตไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนะนี่สนี่สลับผู้หญิงน่ะมีพิเศษคือวีร ด, ดูเนะี่ยนี่ผู้ชายนี่ก็อดกั้นเฉพาะเวลานั้นเนี่ยก็ออกไปนอกเขตเนะี่อันนี้ก็แปลว่า อ, อ, อ้อแปลว่าเขาเคารพในแง่ของการรักษาความสะอาดอะไรต่างเนี่ยนะผู้ที่เข้าไปนี่ต้องบริสุทธิ์ก็มีตัวอย่างว่าพระธาตุอริบุญชัยก็เป็นอย่างนั้นเนะ ก็ไม่ให้สร้างไอ้พวกซ่วมห้องน้ําในบริเวณก็มามองดูก็เป็นอย่างนี้ทั่วไปเหมือนกันยังโบดเราเราจะสร้างเราก็ต้องไม่ให้มีห้องน้ำอะไรใกล้ถึงได้ยแยกออกไปเอาละ่ะทีนี้ว่าเขาว่าว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีฤดูที่ไปทําลายการศักษานั้นจะจริงไม่จริงอันนี้ก็เป็นความเชื่อทีนี้ในเมื่อเรายังไม่รู้ยังไม่รู้นะะ ตัวเหตุผลที่แท้ที่ท่านผู้เก่าแก่หรือผู้สร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้เริ่มประเพณีเนี่ยได้ว่าไวเนี่ยเราก็ได้แค่สันนิษฐานจากความรู้เท่าที่มีเนเราก็ต้องถ่อมตัวในขอบเขตของเราก่อนนีอันนี้มาในรูปที่เป็นความเชื่อสืบมาก็เป็นอย่างที่ว่านี่เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธ มันก็เป็นได้สองสามอย่างหนึ่งก็คือท่านผู้ริเริ่มมาก็เชื่ออย่างนี้แล้วก็บอกให้เชื่อกันไปนะก็ถ่ายทอดกันมาสองไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นเรื่องของเหตุผลทางหลักการที่เวลาพูดกับคนจำนวนมากแล้วซื้ต่อกันมาเนะี่ยมันยาก โดยเฉพาะเรานึกถึงบรรยากาศสมัยโบราณวิทยุก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีเนี่ยนะอย่างท่านผู้นําของประเทศเนี่ยจะพูดกับชาวบ้านก็ต้องถ่ายทอดไปให้อมัดหรืออะไรเงี้ยอมัดกว่าไปจะไปถึงชาวบ้านบางทีมันแปลไปแล้วหรืออมัดอยจะจะจําได้แต่ไปพูดกับชาวบ้านมากๆพูดไม่ไหวกว่าจะชี้แจงกันเข้าใจใช่ไหมไอ้เรื่องที่เป็นความรู้หลักๆเนี่ย เรื่องศาสนานี่มีรวมอยู่อันหนึ่งที่ง่ายที่สุดคืออ้างความศักดิ์สิทธิ์อะไรอะไรก็เอาความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปจบแล้วพูดกันง่ายด้วยไม่ต้องมานั่งอธิบายอาจจะเป็นได้ว่าตัวเหตุผลที่แท้เนี่ยมันไม่มาถึงมันก็จมหายไปก็เหลือมาถึงประชาชนถ่ายทอดกันมาในลูกน้องศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันสื่อกันง่ายและ้ะได้ผลทันที มันก็เลยเหลือมาอย่างเงี้ยแค่ความศักดิ์สิทธิ์นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายว่าเวลาพูดอะไรกับคนทั่วไปจํานวนมากยิ่งสมัยโบราณที่ว่ายังไม่มีเรื่องเครื่องมือสื่อสารเนะี่ยก็มักจะอ้างในแง่ศา ส, สนากับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะแม้แต่เรื่องของชาวบ้านเองบางทีก็อย่างพูดกับเด็กเนี่ย ก็อธิบายยังไงก็ไม่ได้ความสู้อ้างไอ้เรื่องเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติดีกว่าจะไปขี่หมาเดี๋ยวฟ้ามันจะพ่าเพนั้นเคยได้ยินหมเออเขาบอกครับอย่าขี่หมาฟ้ามันจะผ่าคือพูดกันยังไงบางทีเด็กก็ไม่ฟังอ่ะแต่ถ้าอ้างไอ้เรื่องมันน่ากลัวเป็นเรื่องของเหนือธรรมชาติหรือมองไม่เห็นเนี่ยกลัวเดี๋ยวผีหักคอน ใช่ไหมเดีย๋ยวไปทํานั่นไอที่นุ่นศักดิ์ศิลป์เดี๋ยวผีมันหักคอเงนะีเนี่ยพูดกับคนหมู่มากยกตัวอย่างเนาะเด็กๆ เ, เนี่ยชาวบ้านก็คล้ายๆอย่างงั้นแหละบางทีก็ต้องมาในรูปอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็สืบหาตัวความรู้จริงยะแต่ว่านี่เราสันนิษฐานนะดูจากสภาพแวดล้อมความเป็นมาอ้าวทีนี้เราก็โยงมาดูหลักการ อันนี้ว่าเท่าที่เราพอจะดูได้เนี่ยมันมีหลักการอะไรที่บอกน่าพิจารณาที่อาจจะเป็นที่มาของเรื่องนี้ได้ในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นหลักฐานชัดเจนตอนนี้ต้องบอกว่าสันนิษฐานนะหรือจะคาดเดาก็เลยแต่เราก็ต้องบอกเป็นความคิดเห็นนะอันนี้ไม่ใช่ความรู้แจ้งชัดไปแล้วเนะี่ยฉันไม่ใช่ผู้ตัดสินนะแต่ขอเสนอให้มาช่วยกันพิจารณา อันนี้หารมาดูในแง่หลักการก็พอดีว่าผมเนี่ยได้ยินมานานแนะล้วังมือเหนือเนะี่ยมีการปฏิบัติในเรื่องของเสนาสะนะอย่างหนึ่งที่ต่างจากภาคอื่นเอาเริ่มในการสร้างโบสถนะ์ท่านเคยได้ยินมามโบสถ์มือเหนือเนี่ยจะสร้างเล็กๆแล้วไม่ไม่ให้ความสำคัญในแง่ของ ศิลปกรรมความสวยงามอะไรเลยนะจะมีอาคารอีกหลังหนึ่งที่เป็นของสำคัญสำหรับชุมชนคือวิหารซึ่งสร้างอย่างดีเลยงดงามแล้วโบสถ์เนี่ยก็ใช้เป็นโบสถ์ตามความหมายเดิมจริงๆโบสถ์ก็คือที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุใช่ไหม ก็คือที่ประชุมพระภิกษุเวลามีกิจของส่วนรวมต้องประชุมวินิจฉัยเช่นรมอุโบสถอย่างวันปาติโมและก็เรื่องการพิจารณากิจของสงฆ์เท่านั้นนะแล้วโบสถ์เนี่ยนะซึ่งสร้างเล็กๆไม่สำคัญก็ใช้ในความหมายเป็นที่ประชุมพระสงฆ์รมสังฆ ก, กรรมเนี่ยก็ไม่ให้สตรีเข้า แต่ทางเมืองเหนือมีอาคารที่สำหรับเป็นที่ชุมชนประชาชนมาพบปะสนทนามาทำบุญฟังธรรมอยู่แล้วก็คือวิหารซึ่งใหญ่สร้างอย่างดีสวยงามเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็พอมองเห็นเขานะก็แสดงว่าเอ๊ะทางเมืองเหนือท่านก็มี ความคิดเป็นหลักการสําคัญเลยเราท่านจะคิดยังไงเราไม่รู้แต่จา ก, จากหลักการเนี้ยทําให้เราเห็นว่าท่านมีหลักการสําคัญนี่ก็คือท่านแยกว่าโบสเนี่ยเป็นที่ประชุมของพระภิกษุแล้วพระภิกษุก็เป็นพระผู้ชายใช่ไหมก็เมื่อเป็นพระผู้ชายแล้วก็มีเรื่องของพระอย่างเดียวมันก็ไม่ควรให้ผู้หญิงมาเข้านี ก็ตัดปัญหาไปแล้วที่ประชุมพบปากญาติโยงก็มีให้แล้วนั่นก็คือวิหารส่วนผู้ชายนั่นก็นอกจากว่าพระเป็นผู้ชายแล้วคนผู้ชายก็อาจจะไปรับใช้ไปช่วยจัดอะไรบ้างใช่ไหมมันก็ไม่ต้องห้ามกันเป็นเรื่องธรรมดามันก็คนอยู่ในวัดสิวัดก็มีนะก็ไปอวัธทันก็แยกก็แปบาว่าโบสเนี่ยแยกไปเลยเป็นเรื่องของพระสงฆ์นะ แล้วก็วิหารก็เป็นที่ของชุมชนบริษัทสี่นะอ้าวนี่มันก็มีเหตุผลนะฮะทีนี้มาดูในแง่ของเจดีย์ใหญ่ๆสำคัญก็ลองขยายความหมายมาดูก็อาจจะเป็นได้วันหนึ่งก็คือเมื่อพูดถึงโบสถ์แล้วไม่ให้สตรีเข้าความหมายที่มันออกมาออกมาเนี่ยมันกลายไปว่าศักดิ์สิทธิ์ เนี่ยก็ไม่ให้ผู้หญิงเข้าก็เลยขยายไปถึงพระเจดีย์อะไรก็เลยเอาความศักดิ์สิทธิ์มาอ้าไม่เข้าแต่ว่าความเป็นจริงเป็นได้ไหมอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยพลเมืองประชากรไม่ได้มั่งมายกับไปอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ประชาชนหญิงชายอะไรก็เวลาไปวัดเนี่ยอาจจะไปกันคนสองคนสามคนแล้วก็ไปไหว้เจดีย์บูปูชนีสถาน นี่ปูชนียสถานสำคัญซึ่งเป็นหลักเนี่ยก็เป็นธรรมดาก็ต้องมีบุคคลในวัดดูแลก็คือพระพระท่านก็ไปดูแลอยู่ประจํานียรักษาความสะอาด จ, จัดโน่นจัดนี่ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องภาระที่ธรรมดาต้องักต้องรักษาดูแลคงไม่ต้องถึงกับเฝ้าการขโมยอย่างเดียวนี้นะคนละความหมายคือดูแลรักษาความสะอาด จ, จัดที่ให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่า ไปป้องกันขโมยเลยเหรอกนะหรือจะมีเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีบ้างแต่ไม่หนักถึงขนาดนี้แต่รวมความก็คือมีพระดูแลทีนี้ญาติโย่ไปมาอย่างเงี้ยถ้าผู้หญิงเข้าไปข้างในเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเสื่อมเสียก็เสียไปได้วยกันทางพระท้งผู้หญิงนั่นแหละใช่ไหมไปกันคนบางสองคนบางก็มีพระอยู่องค์เดียวสององค์ นะก็กันปัญหาไปเลยนะในเขตในเนี่ยไม่ต้องเข้าไหวๆก็อยู่ข้างนอกนะก็อาจจะเป็นไปได้เหนะ็นี้ว่าจะพูดอะไรแต่อะไรอย่างที่ว่าในที่สุดพอมาถึงชาวบา้านพูงง่ายที่สุดก็เขตสศักดิ์สิทธิ์อ้างความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าว่านะเหตุผลเดิมก็อันนี้เราก็สนิทฐานกันแต่ยังเรื่องโบสเนี่ย ผมว่าชัดพอสมควรนะก็ถึงเดี๋ยวนี้ก็จะหอพักสตรีบุรุษก็ไม่ควรเข้าไปนอนใช่ไหมแล้วหัวพักหอพักบุรุษก็สตรีก็ไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ามใช่ไหมอันนี้ก็โบทที่ทำสัลยกรรมของฝ่ายพระภิกษุก็ไม่ควรให้สตรีเข้าไปยุ่มยามนะแต่ทีนี้อย่างภักกลางเป็นต้นเนี่ยไม่ได้แยกเรื่องนี้ โบสถ์ก็เลยถือเป็นอาคารหลักของวัดใช่ไหมสร้างอย่างสวยงามภาคอื่นนอกจากภาคเหนือรู้สึกจะให้ความสําคัญกับโบสถ์ใช่ไหมจะสร้างโบสถ์เป็นหลักของวัดเป็นอาคารสวยงามเด่นที่สุดเลยนะแล้วก็ให้ประชาชนเข้าไปทํากิจกรรมพิธีกรรมในโบสถ์ได้ด้วยส่วนมงเหนือ น, นั้นแยกไปเลยทีนี้ก็ถ้าเป็นเหตุผลนี้ก็ผมว่าก็ชัดอยู่ ถ้าสืบเนื่องมาจากโบสถมันก็สอดคล้องกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราพยายามหาความรู้กันแล้วก็เมื่อความรู้โดยตรงไม่ได้ก็หาหลักการอะไรแต่อะไรที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาแล้วก็เสนอเป็นข้อพิจารณาไว้ท่านเห็นเป็นประการใดพอจะเข้าเข้าไหมก็อย่าเพิ่งด่วนไปว่า ใช่มะหาความรู้กันแล้วก็แยกให้ดีระหว่างความรู้กับความคิดเห็นแล้วก็พยายามให้ความคิดเห็นเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของความรู้อย่างที่เคยพูดมั้งนั้นมันจะพูดกันป่นขอภัยยับเยินหมดใช่อีกอ่ะก็ความเห็นใสเลยเนอะอยู่ๆมาก็เอา้าทำไมสตรีไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสมอภาคคือไม่ได้ดูเรื่องราวไปยังไงมาไงคำบาลีนี่มีอันหนึ่งนะฮะคำว่าสมมาตาเนี่ย แปลว่าเสมอเนี่ยเสมอเนี่ยมาเป็นภาษ า, ทาไทยแปลว่าสมก็คือความเหมาะสมนะก็เสมอเนี่ยมันก็ต้องเหมาะสมกันด้วยใช่ไหม <laughs> คือบางอย่างมันก็จะให้เสมอมันไม่เข้ากันมันก็มันก็เสมอไม่ได้มันเสมอในแง่ก็ความเหมาะสม ขอภัยจะให้ผู้ชายตั้งท้องให้เสมอกับสตรีหนึ่งแ่ ไ, งไงอ้คลอดลูกมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็ต้องปฏิบัติต่เรื่องนี้ให้มันสมใช่ไหม ไ, งไงอ้ความสมเนี่ยก็คือเสมอกันในแง่สมต่อกันด้วย <c oughs> วันนี้เอ้เรื่องความเสมอภาคเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีความสมกันแม้แต่โดยธรรมชาติ นะความสมชั่งอื่นยังพอจัดบางทีเปลี่ยนแปลงเคประเพณีแต่โดยธรรมชาติเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้นอยางให้ผู้ชายผู้หญิงเสมอกันหมดก็ต่อไปก็ต้องผ่าตัดกันทุกคนเออให้มีลูกได้ทุกคนไม่ทราบว่าการที่สังคมเนี่ยพอมีเหตุการณ์ใด<ม>ยอมความกันไม่ได้ก็ออกมาเรียกร้องอสิทธิกันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความที่ สังคมเหล่านี้มันเอไม่มีความเมตตากันด้วยด้วยเปล่ก็ด้วยคือว่ามันเข้าไอ้แนวทางของลทัทธิลัทธิพิทักษิตนะฮะคือหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยมุ่งสิทธิของตัวใครจะมาล่วงละเมิดฉันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่คิดในทางเอื้อกันอันนี้มันแนวคิดเนี่ยมันก็มาจากตะวันตกนั่นแหละที่ลทัทธิตัวใครตัวมันแต่ทีนี้ วัฒนธรรมอื่นๆมันสอดคล้องกันมันก็กลมกลืนกันไปได้ทีนี้ของไทยเราเนี่ยเราจะไปเอามาทีละอย่างละอย่างมันก็ขัดกันกับไอ้ระบบของตัวเองที่เป็นพื้นฐานมันก็นวลเนียวุ่นวายสับสนกันใหญ่เนี่ทีนี้เราก็ต้องตั้งท่าทีให้ดีหนึ่งก็คือตั้งจิตเมตตาผู้หญิงก็ต้องตั้งจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อผู้ชายด้วย ผู้ชายก็ต้องตั้งจิตเมตตาแต่ผู้หญิงปรารถนาดีต่อกันแต่ว่านอกจากตั้งจิตเมตตาเช่นว่าจะเห็นใจกันและก็ต้องมีไอ้ตัวความรู้ความเข้าใจตัวความรู้นี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของความเห็นใจที่แท้เมื่อมีความรู้แล้วก็จะมีความเข้าใจใช่มเมืม่อเข้าใจแล้วก็จะเห็นใจขึ้นมาแล้วก็การปฏิบัติที่ถูกต้องก็เกิดขึ้น พะนั่นนอกจากว่าตั้งจิตเมตตาก็คือต้องหาความรู้เนะี่ยไอ้ตัวความรู้เนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดนสังคมของเราอย่างที่เคยย้ํำบ่อยๆนะชอบเอาเรื่องความเห็นนะยูยูยปั๊บเอาเแี่ความเห็นมาเลยไม่หาความรู้กันเลยเออพอมามีเรื่องไรสกิดก็เออหาความรู้กันหน่อยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงยังไงนะแล้วมาพิจารณากันเขามีเหตุผลของเขายังไง นะะเพราะว่าเรื่องมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมันไม่ได้เกี่ยวการเรื่องเสมอภาคไม่เสมอภาคเลยบางทีนะมันมีเหตุผลของเรื่องนั้นนั้นนะเออเนี่ยทีนี้เพราะคนจ้องเพราะตอนนี้ก็ไปมองในเรื่องสิทธิสตรีความเสมอภาคมันกลายเป็นจุดจ้องพอเห็นอะไรมันก็มองไปในแง่นี้หมดทั้งทที่บางทีมันไม่ใช่เรื่องนี้เลย มันก็ทำให้เกิดปัญหาโดยไม่ไม่เข้าเรื่องอะไรเงี้ยนะมีอะไรั้มครับเอ่อเนท่านเจ้า<ม>คุณเคยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องที่การที่คนไทยชอบแสดงความคิดเห็นมากกว่า นำความรู้มาคุยกันอยู่บ่อยครั้งก็เลืหอหาความรู้ก็ยังเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพวกรายการที่มาทางทีวีนะครับมามารวมโตะคุยกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนานๆเ น, น, น, น, นี่ยเป็นรายการที่ใช้ความคิดเห็นของแต่ละคน<ว>ทั้งนั้นเลยไม่ทราบว่าท่านทุกคุณมีความคิดเห็นยังไงครับม่นกลายเป็นแนวโน้มของสังคมนี้ไปแล้วเพราะว่าฟังหนังสือพิมพ์ลุงอา่านแล้วบีผมก็ดูนะ บางคอลัมน์นี่มีแต่ความเห็นอย่างเดียวแล้วก็ด่าคนอื่นเอาความคิดเห็นของตัวตัดสินปุ๊บเลยทั้งๆที่เรื่องนั้นยังไม่รู้แน่มันเป็นอะไรเออก็น่าจะบอกว่าเนี่ยในแง่ความรู้อย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะมันยังไม่เด็ดขาดในความรู้มันยังไม่ชัดออกมาอันนี้เล่นงานเลยเอาความคิดเห็นของตัวตัดสินท่าเดียว อันนั้นมันก็ทําให้เป็นสังคมที่มันขาดแคลนฐานเลยฐานนั่คือตัวความรู้เนี่ยนะแล้วเมื่อขาดฐานคือความรู้แล้วไม่ใยแสวงหาความรู้มันก็พัฒนายากนะมันก็มาติดอยู่แค่ความเห็นที่ความเห็นมันก็ต่างกันมันก็เถียงกันอยู่นี่นะมันก็ตีกันบ้างด่ากันบ้างอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ไปมันไม่คืบหน้านะแล้ตั้งจิตเมตตาก็เพื่อให้โอกาสในการหาความรู้ด้วย แล้วก็เผื่อใจด้วยไม่ใช่ว่าอย่างเดียวอย่างว่าอย่างผู้หญิงเราก็ต้องเห็นใจคือ ต, ตั้งตั้งจิตปรารถนาดีก่อนว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้ประโยชน์แต่ว่าก็ต้องดูว่าเรื่องราวอะไรแต่ อ, อะไรมันมาอย่างไงนแต่ไม่ไดตั้งท่าเพราะถ้าแล้วมันมีแนวโน้มว่าถ้าฝ่ายหนึ่งตั้งท่ามาอย่างเงี้ยจะเรียกร้องอีกฝ่ายนึงมันจะต้านขึ้นมาจะดีใช่ไม้มมันก็จะเป็นปฏิปักษ์กัน ตั้งใจแต่ว่าเออเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมนี้ที่มาอาจจะยังมีข้อบกพร่องให้มันจะเลยขึ้นหน้าไปแล้วก็มาช่วยหาความรู้แล้วก็มามีอะไรก็มาพูดจากกันนีมาถ่ายถามกันแล้วก็มาช่วยกันมาสืบค้นหาความรู้อีกทีไม่ใช่อยู่ๆก็แสดงความเห็นนะก็เรื่องอย่างเงี้ยนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับสตรีเหมือนกันก็ อย่างเมื่อก่อนนี้ก็มีอ้าวอันนี้เรื่องเรื่องสตรีเหมือนกันก็คือเรื่องภิกษุณีนีก็นานเหมือนกันแล้วแหละก็ไม่ใช่ว่านานนักอันนานแหะแต่ไม่นานนักก็มีนักศึกษาฝรั่งที่ทำบริยเอกถามผมว่าตอนสังคายนาครั้งที่หนึ่งทำไมไม่มีภิกษุณี ร่วมประชุมตามสังคายนานะแล้วก็มาถามผมผมก็ตอบก่อนบอกว่าไม่รูอ้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้จริงๆถ้าเราจะเล่นสมทวนแล้วก็บอกว่าอา้าก็ฉันเพิ่งเกิดเนี่ยนะเหการมาเกิดก่อนฉันตั้งสองพันกว่าปีใช่ไหมล้าฉันไม่ได้ไปร่วมอยู่ในเหการแล้วจะไปรู้อย่างไงใช่ไหนี่ถ้าเล่นสมทวนก็ต้องตอบอย่างนี้นะ เหนึ่งเราก็ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรงเราจะไปตัดสินไม่ได้เราจะไปห้างสติสตรีหรืออะไรเราตอ น, นี้ฉันไม่รู้และก็เอกสารหลักฐานเท่าที่พบมาฉันก็ยังไม่เห็นไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไว้เนก็เท่าที่ในแง่ความรู้เนี่ยฉันยังไม่มีความรู้เรื่องนี้นียยังไม่รู้ชัดฉันยังไม่รู้ชัดและที่คุณพูดก็ต้องพูดใหม่ด้วยนะ จะบอกว่าทำไมในการสังฆทานครั้งที่หนึ่งไม่มีภิกษุณีร่วมก็พูดใหม่ว่าทำไมในการสังฆทานครั้งที่หนึ่งไม่ปรากฏว่ามีสตรีร่วมเราไม่รู้นี่ใช่ไหมที่จริงอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏอันนี้ก็คือพยายามรักษาความจริงแต่นี้ในเมื่อเราไม่รู้ชัด ทีนี้ก็ทำไงเราก็พยายามแสวงหาความรู้ที่จะมาช่วยการพิจรารณายะดด่วนให้ความเห็นว่าอะไรแต่อะไรไปทันทีก็พิจรารณาเนี่ยที่มันเป็นปัญหาอย่างที่พระเมตตาเนี่ยที่ฉันเขียนหนังสือคือถ้าก็เล่นงานไปเลยมันกลายเป็นกล่าวหาหรือตัดสินนีว่ามหาัสปะนี่แหละหัวหน้าสังกตนาเนี่ย เป็นพวกพราหมณ์มาบวชเนอะแล้วเป็นญายาทของพุทธเจ้าเลยเนี่ยเนีก็เป็นทายาทพระพุทธเจ้าเขาสืบต่อตําแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นหัวหน้าก็ไม่เอาสตรีเข้ามาใช่ไหมออาทีนี้พออ้างอย่างเงี้ยแล้วก็มีคําในบาลีด้วยนะพุทธทายาทหรือพุทธสถายาโทเป็นทายาทของพุทธเจ้า จริงในบาลีในพระไตรปิฎกก็มีพระมหากัสาเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านพูดเนี่ยท่านพูดคล้ายๆว่าตัดสินไปนะหรือจะนเรียกว่ากล่าวหาไปแล้วถึงก็ตัดสินเลยว่ามหากัสสะเนี่ยตัวการโดยกันเถอะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มายืนยันหรือมาเป็นตัวเสริม การตัดสินของท่านทีนี้ข้อมูลเนี่ยความหมายเรื่องราวมันไม่เป็นอย่างนั้นค <c oughs> ำทายาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยในพุทธศาสนาใช้เยอะคือไม่ใช่มีเฉพาะหมากศสบ่าละ่ะเยอะแยะไปหมด <c oughs> แลวทาไมจึงเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าละ่ะก็ในพุทธศาสนาท่านเลิกระบบทายาท ที่มาสืบต่อตําแหน่งอะไรจะปกครองเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ทายาทรับทรัพย์สมบัติก็ไม่มีเลยใช่ไหมเงินทองพระพุทธเจ้าก็ไม่มีให้ใครก็เอาศัพท์มาใช้ในความหมายของทางธรรมะมาผู้ใดเนี่ยเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอามาสั่งสอนใหพพน้พระพุทธเจ้าสอนก็คือให้นั่นเองใช่ไหมเมื่อใครเข้าใจก็คือได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องไป ให้พระพุทธเจ้าแต่งตั้งแล้วก็โดยไม่ต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเราเป็นเองนะแล้วพูดได้เลยว่าฉันเป็นทาญาติพระพุทธเจ้าเพราะนั้นในพระไตรปิฎกก็จึงมีาภาษาพวกตั้งหลายองค์พูดว่าฉันได้เป็นทาญาติของพระพุทธเจ้าพูดเองไม่ต้องไปรอใครหมายความว่าได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์สอนแล้วเนื้อได้บรรลุธรรมก็เป็นทาญาิของพระพุทธเจา้าดังนั้นก็เลยว่าไม่เฉพาะหมากศรัปะ มีพระเยอะแยะทางพระภิกษุภิกษุณีและแม้แต่ไม่ใช่ภิกษุภิกษุณีก็เป็นทาญาติทพระพุทธเจ้าได้แล้วเป็นเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมนี้ท่านมาอ้างอย่างนี้มันก็เนี่ยเราก็เรียกว่าข้อมูลเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรอะ่ะข้อมูลนั้นมันมีจริงแต่มความหมายมันไม่ถูกใช่ไหมมันคนละเรื่องก็เรียกว่าที่จริงมันใช้อ้างไม่ได้เลย พระพุทธาไม่ได้ตั้งใครให้เป็นทายาทมาสืบต่อตำแหน่งพระองค์เลยนะอันนี้พอไปอ้างอย่างนี้คนไม่รู้ก็นึกว่าอู้จริงเหมือนนะอย่างนี้ถ้าว่าไปแล้วเราก็ต้องถือว่าเป็นหลักฐานเท็จใช่ไหมมันก็เสียหายมันก็ไม่ถูกต้องอะ่ะในทางวิชาการเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำชับกันเรื่องของ ความรู้เรื่องของข้อมูลความชัดเจนม่นยำถูกต้องอะไรต่างๆหรือการตรวจสอบเนี่ยให้แน่ชัดนะทีนี้ว่าเราลองมาดูว่าแล้วทำไมไม่ปรากฏว่าในสังกายนา ค, ครั้งที่หนึ่งมีภิกษุณีร่วมก็มาดูง่ายๆก็คือวิถีชีวิตนะและก็ความเป็นมาในพุทธประวัตินะ แล้วกับสภาพสังคมที่เป็นภูมิหลังพื้นเพแวดล้อมอยู่นะพรธเจ้าบำเพ็ญพุธกิจก็จาริกไปในที่ต่างๆต้องเดินทางไปโน่นไปนี่เรื่อยและสั่งสอนไปในเวลาที่เดินทางเยอะที่อยู่กับที่ก็มีนะ ถ้ามีที่แล้วก็ที่วัดใหญ่ๆก็ท่านเรียกว่ามีธรรมสภานั่นแหละจึงจะมีพุทธบริษัตสี่มารวมกันอยู่ฟังแต่นี้ในที่ปกติพระเจ้าก็อยู่กับภาษาปกที่เป็นผู้ชายผู้หญิงจะมาอยู่ใกล้ๆไง ไ, งไม่แต่เป็นภิกษุใช่ไหอะจะมาติดตามพระพุทธเจ้าไปได้ไหมมันก็ไม่เหมาะพระพุทธเจ้าก็จาริกไปเรื่อยก็มีแต่ภิกษุไปก็เป็นธรรมดาพระภิกษุเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ภิกษุณีแม้จะมีฐานะเป็นบรรพชิตแต่โดยความเป็นไปอย่างเนี้ยโดยวิถีชีวิตอะไรกัมันก็ไม่อำนวยที่จะมาอยู่ด้วยที่จะมาได้ฟังด้วยก็เป็นอย่างเนี้ยก็เป็นอันว่าถ้าโดยลักษณะความเป็นไปอย่างเนี้ยก็พอมองเห็นว่าภิกษุณีเนี่ยมีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุมาเห็นตลอดเวลา ก็มีพระภิกษุเนี่ยได้อยู่ตลอดไปละหนึ่งละแล้วเราไปนึกถึงครุธรรมมีข้อหนึ่งที่ว่าให้มีภิกษุเนี่ยให้อววาสภิกษุณีเป็นประจำนะใครไม่มองแง่เดียวก็จะบอกแหมเนี่ยเห็นหัหยให้ภิกษุณีต่าต้อยให้ภิกษุไปต้องให้อววาสประจาเลยก็ในบุพกิจตอนสวดปาฏิโมกข์มีใช่ไหม พะภิกษุณีนางโอวะโททาตัโพเพราะว่าบุพกิจกิจเบื้องต้นก่อนจะสวดปาฏิโมกข์ก็มีการให้อวา่อาภิกษุณีอ้าวเรามองในแง่หนึ่งเห็นได้ว่าเป็นวิธีเชื่อมให้สงกับทั้งฝ่ายภิกษุสงภิกษุณีสงเนี่ยยังโยงกันอยู่แล้วเรื่องราวจาก ฝ่ายพระสงฆ์แม้แต่คําสอนคํากล่าวอะไรที่พระพุทธเจ้าได้สอนเพิ่มเติมใหม่ๆก็จะถึงภิกษุณีแล้วพระภิกษุที่จะไปไข่อวานภิกษุณีนะต้องมีคุณสมบัติต้องสงตั้งนะไม่ใช่จะไปสอนเองได้นะไปให้อวานภิกษุณีผิดนะนะมีความผิดเลยจะไปเทียวให้อวานภิกษุณีเองต้องหนึ่งสงตั้งนะ และนอกจากนั้นยังกํากับไว้อีกสงฆ์จะตั้งตามอำเภอใจไม่ได้ภิกษุที่จะได้รับแต่งตั้งแม้สงฆ์จะตั้งก็ต้องมีคุณสมบัติแปดประการสงฆ์จะตั้งได้จะเพราะภิกษุที่มีคุณสมบัติแปดประการไปให้โอวาทภิกษณุณีในหลายประการนั้นก็มีเช่นว่านอกจะเป็นมีมีความรู้รู้ปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่าย นะแล้วปิโยมานาโปของภิกษุณีทั้งหลายเป็นที่รักที่ชอบใจของภิกษุณีทั้งหลายด้วยนะนะนะนะไม่เอาพระที่ภิกษุณีช่างไปนะนะต้องเป็นปิยะนะเป็นที่รักที่ชอบใจแล้วก็มีข้อว่าต้องมีภรรษายี่สิบขึ้นไปพวกนั้นนะไม่ใช่ง่ายง่ายนะนี่เป็นเพียงยกตัวอย่าง อันนี้ท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ใหญ่และมีประสบการณ์ก็จะเป็นโอกาสที่ว่ามีเรื่องราวอะไรในหมู่ภิกษุเรื่องพระพุทธเจ้าตอนนี้นะที่ภิกษุณีสงฆ์เนี่ยไม่มีโอกาสจะมาใกล้ชิดเนี่ยก็จะได้มีการสื่อสารถึงกันใช่ไหมก็ท่านไปคุยกับภิกษุณีแล้วท่านก็ต้องรับเรื่องถน น, นมาก็มาบอกอีกใช่ไหม และภิกษุณีก็มาฝ้าพระพุทธเจ้าก็มาในโอกาสที่มันเป็นได้จะเป็นครั้งคราวแต่อันนี้ประจําใช่ไหมโอกาสอื่นมันจะน้อยก็ได้บางทีภิกษุณีมีเรื่องก็มากราบทูลแต่ทีนี้มันก็เป็นจิตจา ร, รักษณะแต่อันนี้ต้องมีประจําเลยก็สแสดงการสื่อสารกันระหว่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ภิกษุณีนี่จะมีตลอดเวลานีอันนี้ก็เป็นวิธีการนเนี่ยเอาละ แต่รวมความก็อย่างว่าวิถีชีวิตเนี่ยเป็นภิกษุณีท่านไม่มีโอกาสที่จะมาใกล้ชิดจะเดินทางจาริกไปด้วยกันมันเป็นปัญหายิ่งสมัยก่อนแล้วเขาเพ่งด้วยใช่ไหมลัทธิอื่นเขามองนักบวชอะไรมีผู้หญิงอยู่ด้วยใช่ไหมอ่าสละเลือนออกบวชแล้วทําไมมีผู้หญิงก็ถึงได้มีเรื่องอ่ ะ, อะ ภิกษุกับภิกษุณีเดินทางไปได้วยกันชาวบ้านโหเพราะว่าทานั้นสมัยนั้นบางถิ่นเขาก็ไม่รู้จักพระเขารู้แต่ว่าเป็นบัณฑิตเขาไม่รู้ว่ า, าศาสนาไหนดียังไงเขายังไม่นับถือและปรากฏว่าเขาก็บอกเนี่ยพวกนี้เขาผัวเมียกันมาด้วยกันนะอะไรเงี้ยล้อบ้างอะไรบ้างาพระเจ้กาก็ต้องบัญญัติว่าไม่ให้ภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยเดินทางไกลรวมกันนะทีนี้ ภิกษุณีเดินทางไกลฝ่ายเดียวไม่มีบุรุษไปด้วยก็มีอันตรายถูกพวกโจรผู้ร้ายมาทำร้ายพนระเจ้าก็ต้องบัญญัติว่าถ้ายกเว้นแต่ในที่มีอันตรายให้มีภิกษุไปด้วยนะภิกษุณีไปจำพรรษาจำวัดไม่มีภิกษุก็ถูกพวกโจรมาทำร้าย ก็ต้องบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุณีจะจําบรรสารในที่วัดไม่มีภิกษุไม่ได้อาต้องให้มีภิกษุใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องที่ว่าในแง่หนึ่งบางครั้งก็อลหลักอลาเหลือก็ต้องเป็นภาระกันด้วยคอ ย, คอยดูแลแต่พร้อมกันก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่แหละเราต้องนึกถึงบรรยากาศสภาพสมัยพุทธกาลเนี่ย ถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ปลอดโปร่งทีเดียวแต่ว่ามันก็สังคมมันก็เปลี่ยนไปนะอย่างอันตรายแต่อะไรึร่ป่าเผ่อแม้แต่ป่ามันน้อยเต็มทีแล้วเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนมันเป็นป่าส่วนใหญ่เลยนะถ้าก็เดินแล้วก็พระภิกษุชีวิตของพระต้องไปในป่าเราต้องมานึกถึงสมัยนั้นทําไมไม่ให้คนพิการบวชอ่าก็สมัยนั้นพระบวชปั๊บนี่ต้องตัวคนเดียวบุกเดียวได้ถูกไหม นะป่าเขาไปนะต้องช่วยตัวเองได้สารพัดเลยนะไปมัวพวงกังวลกันอยู่ยังไงใช่ไหมนะเนี่ยชีวิตของพระสมัยก่อนนะเดี๋ยวกะจาริกเดี๋ยวก็เดินทางเขา้าป่าขึ้นเขาอะไรต่อะไรต้องต้องช่วยตัวเองได้ตลอดเวลานะส่วนที่ว่าคนที่พิการหรืออะไรก็ต้องจัดให้อยู่ไปในชีวิตของกระชหัด เราจะจัดยังไงก็จัดไปนะเราจะเอาไอ้สภาพเดี๋ยวนี้ไปตัดสินไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง น, ะนี่ผมก็ยกขึ้นมาแต่รวมความก็คือว่าเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็พยายามเข้าใจกลุ่มชนนั้นเข้าใจสถานการณ์อะไรต่ะไรดูเรื่องราวแวดล้อมความรู้เท่าที่จะหาได้มาพิจารณาแต่เราไม่ได้ตัดสินนะเรา เสนอข้อพิจารณาให้ฟังนะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่อยู่ๆปั๊บก็ฉันก็พรวดมันไม่เข้ากับไอที่ถือเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เอาข้อที่ถือเดี๋ยวนี้อย่างเดียวตัดติพรวดเลยนะเห็นเป็นยังไงว่ามีทางเป็นอย่างนี้ไหมทีนีน้พระภิกษุที่อามหันมาเรื่องสังขยาอีกก็ไปนว่าพระภิกษุ ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ใกล้ชิดติดตามได้รู้เห็นเพราะว่าผู้สังคีนาก็คือต้องการรวบรวมคําสอนคําว่าสังคีนาเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจผิดนะฮะคือมันไอความหมายคำศัพท์เนี่ยมันค่อยๆงอกแล้วเกิดความหมายข้างเคียงต่อมาก็เพียนก็ะคาดเคลื่อนบางทีไอความหมายข้างเคียงหรือความหมายพ่วงน่ยกลับมาเป็นความหมายจริงความหมายหลักไปเลยอย่างสังคีนาดเดี๋ยวนี้ นักการเมืองก็ามาใช้คนทั่วไปก็ามาใช้ใช้ในความหมายว่าชำระสัสางก็กลายไปว่าคนที่สังเนาเนี่ยไปชำระสัสางอะไรก็แล้วแต่นะคล้ายๆมีอํานาจจัดการไปเลยซึ่งเป็นความหมายเพี้ยนมันไม่มีความหมายเดิมนะความหมายเดิมเนี่ยตัวผู้ทําสังเนาเ น, นี่ยอยากจะหาของจริง คือคําจัดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็มาประชุมกันแล้วก็มารวบรวมไว้นะแล้วก็ฟังช่วยกันตรวจสอบว่าเออเท่าที่ท่านผู้นี้เอามาบอกเล่าเนะี่ยตรงกันนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหมท่านผู้รู้ตกลงว่าใช่นะีเมื่อได้แล้วเนี่ยก็ก็เหมือนก็นดีใจก็ตกลงก็อันนี้นะใช่แน่แล้ว ก็ตกลงว่าเอานะอันนี้จํากันไว้เป็นหลักก็สังขัญนาก็สวดพร้อมกันธรรมะสังขัญนาก็สวดพร้อมกันสวดพร้อมกันก็คือว่าให้จําเป็นหลักไว้จําเป็นหลักไว้จําเป็นหลักไว้ก็สังขันาก็เลยกลายไปว่ารวบรวมพุทธพจน์คําสัตว์พระพุทธเจ้ามาวางไว้เป็นหลักแล้วก็คือลงมติในการสวดร่วมกันแล้วก็จําไว้จําไว้ นี่สังขยาณาครั้งต่อมาก็คือว่ากันว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเลือนจําผิดจําพลาดหายไปก็มาประชุมการทบทวนกันก็คือมารักษาของเดิมนะฮะไม่มีการไปยุ่งจะไปไม่มีอำนาจไปจัดการเพราะเราต้องการขอแท้เราไม่ต้องการมติของคนที่ไปร่วมประชุมใช่ไหมไม่ต้องการความคิดเห็นอะไรของคุณทีนี้ต่อมาเนี่ย มันมีพฤติกรรมกากรกระทําที่มันผิดเพี้ยนไม่ตรงตามพระธรรมวินัยที่รวบรวมไว้ไท่ก็กลัวว่ามันจะเลือเ่อนเลือก็มาประชุมกันรวบรวมแล้วก็ทบทวนอีกแต่พร้อมกันนั้นก็เลยมีกิจการข้างเคียงด้วยก็คือถือโอกาสจัดการสะสารบอกธรรมวินัยที่แท้จําไว้นะทบทวนไว้แล้วมีอย่างเนี้ย น, นั้นพวกท่านต้องปฏิบัติให้ถูกตามนี้ ก็เลยหมายกาว่าคล้ายๆไปชำระสัสางคนที่ทําผิดใช่ไหมกิจกรรมข้างเคียงไม่ใช่สังขยาณาไม่ใช่สังขยาณามันก็เลยต่อมามันคล้ายๆมีสองอย่างคือตัวสังขยาณาพร้อมทั้งกิจกรรมข้างเคียงที่ว่าไปจัดการบอกกล่าวหรือว่าแม้แต่บังคับถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะบังคับเลยนะพระเจ้าแผ่นดินเป็นพุทธมามกะก็อย่างพระเจ้าอโศก ท่านก็มาหาคณะสงฆ์แล้วก็จัดสอบความรู้แต่ว่าไม่ได้ทํารุนแรงหรอกคือว่าสอบความรู้ว่ารู้เข้าใจหลักพุทธ ศ, ศาสนาไหมเนี่ยที่ก็เอาสังเยนานี่นี่คือตัวหลักนะแต่กิจกรรมประกอบก็ที่ว่าสอบความรู้อ่าไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้ปลอมบวชท่านก็เตรียมผ้าขาวไว้ชุดหนึ่งเตรียมไว้เป็นชุดชุดชุดชุดเน่ะ อ, องไหนไม่รู้เรื่องก็มอบผักขาวให้ชุดหนึ่งก็คือบอกให้ศึกแล้วก็ไปนีก็สอบอย่างเงี้ยนี่ก็คือกิจกรรมนี่คล้ายๆการชําระสัตสังแต่ไม่ใช่สังขยานาต่อมาต่อมาไอตัวความหมายสังขยานาไปอยู่ที่การชําระสัตสังซะแล้วไอตัวแท้ตัวจริงในความหมายมันเลือนเดี๋ยวนี้มันเลอะแล้วเดี๋ยวนี้มันกลายไปว่าสังขยานาก็คือไปชำระสรัตว์สัง อย่างสองขยานาที่พระยญาประมวลประมวลรวบรวมก็คือครั้งแรกครั้งต่อมาก็คือทดทบทวนสอบทานก็มาสอบทานกันยุคหนังสือก็คือเอาคัมภีร์ที่รักษาไว้ในไทยบ้างในพมา่าบ้างในลังกาในอะไรในแม้แต่ที่ฝรั่งเอาไปรักษาไว้เนี่ยเนยีเอามาตรวจสอบกันเพราะว่าอาจจะคัดลอกไปหรือว่าไปพิมพ์ผิด อนนี้ก็ถ้ามันมีผิดทําได้อย่างเดียวคือทําฟุตโนดว่าเอออันนี้ฉบับไทยว่างนี้ฉบับโรมันว่างนี้ฉบับนั้นแต่ละไทยเราที่ประชุมก็จจะลงมติว่าเออไอ้ไกรณีเนี้ยคํานี้ น, นนะดูแลห้าฉบับมันอันไหนค้างมากแล้วก็ดูมาเข้าทีหลักพยกัญชนะความลงมติกันได้ในแง่ว่าเอาอันนี้เป็นหลัก นะ่ะจะคําเนี้ยเช่นคาเนี้ยเช่นเอาง่ายๆ่าเช่จระหรือวะเอาง่ายงายเนี่ยจอหรือบอเท่าเนี้ยนะ่ะดูแล้วที่ประชุมลงมติว่าเป็นจอหัวงงินน่ะไ อ, อ้บอก็ลงไปอยู่ข้างล่างฝุดโน้ตว่าฉบับนั้นว่าวะหรือบอเนี่ยน่ะฉบับนั้นฉบับนั้นต้องทําอย่างนี้นี้ถ้าในกรณีมีความเห็นก็ไม่ใช่ทาไม่ได้สังเขนาก็ทําได้ก็ฟุตโนดสิใช่ไหม บอกว่าเนี่ยที่ประชุมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรตกหล่นไปอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าพวกกลุ่มนี้ทําไว้เมื่อ น, นี้นะับบันทึกหลักฐานไว้แต่ไม่มีอํานาจไปเที่เปลี่ยนเขาทำอย่างนี้มันก็บริสุทธิ์ใช่ไหมก็ฟุตโน่นไปสิทําเชิองอัดไว้อะไร น, นี่สังเกนาทําได้แค่นเนี้ยไม่ใช่ไปเที่ยวจัดการชําระคาวพีนี่ สงสัยผิดแล้วผกมาสังเกนานะก็ไม่ได้เปลี่ยนอย่างนี้ก็ตายไม่ชาหมดใช่ไหะแล้วกลายเป็นตัวผู้ที่มาประชุมสังเกตานี่ยกลายเป็นผู้ผูกขาดนทําไม่เรียวกว่า บ, บิดเบือนก็ผูกขาดกลายเป็นผู้ผูกขาดปัญญาเอาปัญญาของตัวเองไปตัดสินปิดโอกาสคนข้างหน้าเลยคนข้างหน้าก็อาจจะมีปัญญาดีกว่าเขามัดดู ข้อความนี้ใช่ไหมที่สื่อกันมาเขา อ, อาจจะเข้าใจโอ้ที่แท้มันถูกแล้วเนะี่ยไอ้พวกที่มานั่งเขานี้ผิดเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลงไปอยู่ซะที่เชิงอจจัจซะเนี่ยคนข้าหน้าเขาจะได้มีโอกาสมาพิจารณาต่อก็หมายความว่ากาสที่คงไวนะ้นั้นหนึ่งรักษาของเดิมให้คงอยู่เท่าที่มาถึงเราเราก็ไม่รู้ว่ามาถึงเรานี่มันเต็มที่แค่ไหนแต่ว่าเท่าที่มาถึงเราเท่าไรรักษาให้มันดีที่สุด สองเราก็เปิดโอกาสกับคนข้างหน้าให้เขาได้เห็นของเนี้ยเขาจะได้ใช้ปัญญาของเขาเองเราไม่ปิดโอกาสไม่ผูกขาดใครก็สังคขนาก็มีความหมายอย่างนี้นะมุ่งปฏิการรวบรวมคำสอนที่แท้มารักษากันไว้ให้ดีที่สุดนะเรียกว่าให้บริ ส, สุทธิ์ถูกต้องแม่นยำนะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ ส่วนกิจกรรมข้างเคียงก็อย่างที่ว่าชำระสัตว์สังไรก็ว่าไปนี่ตอนนี้ต้องคอยทําความเข้าใจกันให้ถูกนะอย่าให้คนเข้าใจผิดให้รู้ว่าสังขยนาที่พูดกันสมัยเนี้มันคลาดเคลื่อนและความหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดบ่อยด้วยมันต้องสังขยนาก็นสทีว่ากนะันเดี๋ยวก็เอาแล้วใช่ไหมเนเ อ, อ่ยการเมืองนี่ต้องสังขยนาสะกทีหรืออะไรก็แล้วแต่ ก, กิจกรรมโ น, น่นนี่สังขยาณาสะที ชำะสะสระศาสนาก็กลายเป็นคนที่จะทําสังเกนาเนี่ยมีอำนาจจัดการเลยนะซึ่งคนละเรื่องกันเลยกับสังเกนาในความหมายเดิมอ่มาเมื่อกี้กําลังพูดอะไรเลยมาเรื่องนี้อีกละ่ะมาเรื่องความหมายของคำว่าสังเกนาที่จริงกำลังพูดในแง่คือว่าที่นี่พระภิกษุที่เข้าประชุมรวบรวมใช่ไหมถ้าประชุมทั้งเจดเดือนนะ่นสังเกนาครั้งที่หนะึ่งละไม่ใช่น้อยนะท่านกำคิดก็ท่านก็มีสิทธิพิจารณาแล้ว ถึงตอนไหนท่านอาจจะไปเอาคนนอกมาบอกว่าเรื่องนี้นะจำได้ว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดก็ท่านผู้นี้ภิกษุณีองค์นี้หรืออุบาสกคนนี้วาสิกาคนนี้ตามตัวมาหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมก็เอามาเข้าที่ประชุมเล่าให้ที่ประชุมฟังสิใช่ไหมเป็นภิกษุนี้ก็ได้ภิกษุหรือเป็นภิกษุอื่นนอกจากที่เป็นองค์ประชุมเป็นอุบาสกวาสิกาก็ได้เออแล้วท่านก็มา ช่วยกันพิจารณาใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ถูกไหมเออหรือแม้แต่ว่าอยู่ไกลก็ จ, จะมอบหมายท่านพวกเรานี่ตอนนั้นพุทธเจ้าเสด็จไปครั้งนั้นน่ะว่าไปเทวองค์นั้นเขาอยู่นั่นน่ะมอบหมายองค์นี้ช่วยไปหน่อยน่ะไปรวมข้อมูลหน่อยใช่ไหมก็ จ, จะมอบองค์นี้ไปก็ได้ใช่ไหมเออมันก็มีทางทําได้หลายอย่างเพราะว่าเราจะมา พูดแต่เพียงว่าโอ้มีองค์ประชุมที่นี้พระเข้าประชุมไม่เห็นมีภิกษุณีเละกระบวนการประชุมเป็นยังไงอีกก็ไม่รู้ชัวร์ไหอเออเนี่ยอ้าวหนึ่งละเมื่อถึงเรื่องนั้นอาจจะเอาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาหรืออาจจะมีการมอบหมายให้คนนี้ไปหาข้อมูลที่นั่นใช่อหมอนี่ก็เป็นไปได้อีกแล้วทีนี้ก็นอกจากนั้นกระบวนการประชุมเองเนี่ย นะหมืออย่างประชุมสมัยเนี้ยเวลาประชุมอย่างของพระเนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่พระละ่ะญาติโยมจะต้องมาช่วยเอเกื้อกูลำบำลูรธรรมบํารุงจัดอะไรแต่หลายเยอะแยะหมดใช่ไหมก็ร่วมกันในแบบเนี้ยเนี่ยเป็นชีวิตของพุทธบริษัทก็มาร่วมกันในฐานะที่ว่าเออท่านเป็นหลักไวนะ้นะเนี่ยท่านทํากิจกรรมนี้พวกเราก็มาช่วยเกื้อหนุนในแง่นั้นในแงน่นี้เนี่ยเป็นเรื่อง ภายนอกก็ได้นะจัดเตรียมการประชุมบ้างถวายอาหารบ้างหรืออะไรต่างๆก็มาร่วมกันนะอันนี้เราก็ไม่ได้ไปเห็นบรรยากาศการประชุมเราจะมาเอาเฉพาะไอตัวข้อมูลปั๊บเดียวแล้วก็ตัดสินเลยยังไงชูกไหมมันมีเรื่องต้องพิาจารณาเยอะนะพอจะเห็นแนวไหมฮะนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างของการที่จะพิจารณา ก็คือเราอย่าเพิ่งรีบด่วนใช้ความคิดเห็นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตัดสินอะไรนก็พยายามหาความรู้นแล้วก็หาแม้แต่ความรู้ที่เป็นรับบุชัดลงไปนี่ก็อย่างหนึง่งแล้วก็มูลอื่นที่เกี่ยวข้องนที่แวดล้อมอะไรเข้ามาก็นำมาพิจรนนารณาแต่ก็มันก็ชัดอยู่ที่ว่า ชีวิตของพระภิกษุณีท่านอยู่กันก็อยู่ของท่านแต่ว่าโอกาสที่จะมาติดตามอะไรอะไรมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะถึงดี่นี่ก็มันก็ไม่เหมาะใช่ไมอาคุยกันดูมีอะไรไหมครับนี่ผมยกตัวอย่างเท่านั้นนะนะยังมีค้างไหมประเด็นเรื่องสตรีไม่ค้างนั่นนะฮะมีอะไรไหมครับก็คุยกันดู ท้าไมมีอะไรถามวันนี้ก็เอาเท่านี้นะฮะ